ไปไปอยู่ในอำนาจของมันแต่พอเร า, าเจริญสติ<ฟ>จเจริญสติมากเข้ามาเข้าจะแยกตัวรู้ออกมาต่างหากโดยนี้ไม่เข้าไปในตัวคิดตัวคิดตัวรู้ที่แยกออกมาตัวคิดก็เหมือนตัวแสงสว่างที่เราแยกออกมาเฝ้าดูอีกทีหนึ่งซึ่งมันจะมีพลังมีความร้อนมีขเขาเรียกตะบะนะก็ทําให้จิตนั้นตกตะกอนแล้วไปเห็นอดีตหมายถึงเหมือนถ้เราลองมองดูไปในน้ํา กนบอกคนบึงคนหนองคนสาเ น, น, นี่ยเหมือนเหมือนอดีตเนี่แหละคนบึงก็เห็นว่าอะไรมีอะไรเราก็จะไปเห็นจิตว่าในอดีตที่แล้วมาเนี่ยตั้งแต่เราจําความได้จนถึงปัจจุบันเนี่ยจําได้ไหมว่าตั้งแต่จําความได้มาทุกวั น, ท, ว น, ท, วนทุกวันจนถึงวันนี้กี่หมื่นวันแล้วตั้งแต่เกิดมาหมอจําได้ไหมจำไม่ได้น ะ, ะน่าจะเจ็ดสิบเเจดสิบทีนี้ก็คุณด้วยเท่าไหร่ คูด้วยสิเดือนนะในสิบสอเดือนเดือนละ30วันคูณออกมาเป็นกี่วันก็ทั้ น, นที่เหตุการณ์เกิดขึ้นแต่ละวันละวันเราจําได้สักเท่าไหร่อันนั้นคือความละเอียดของญาณคนไหนที่สามารถจําเหตุการณ์ในอดีตได้มากที่สุดเรียกว่าคนนั้นมีญาณสูงหมายความเรียบเรียงมาเลยนะปีนี้เกิดเหตุการณ์นั้นเดือนนั้นเกิดเหตุการณ์นั้นความจําในบันทึกมาหมดเลยญาณคนนี้ก็จะแก่ข้าสามารถเห็น ลงไปเมื่ อ, อามาเข้าใจยานี้เป็นครั้งแรกอามานึกถึงภาพของตัวเองสมัยเมื่ออายุสามขวบจําได้ว่านุ่งกางเกงสีแดงเสื้อสีแดงแล้วแม่อูบไปในเมืองนึกย้อนได้นน่นมาเลยนะมาลําดับมาเรื่อยๆตั้งแต่สามขวบเพราะฉะนั้นในคำภีร์ที่ว่าพุทธเจ้าสามารถระลึกราได้ร้อยชาติหมื่นชาติแสนชาติตลอดชาติอย่างยิ่งตลอดสังวตกับวิวัตกับเนี่ย ท่านจะเป็นลักษณะที่ว่าตัววาระจิตที่มันสร้างความคิดขึ้นมาเนี่ยมันเยอะมากๆจนไม่สามารถจะนับได้ว่ามันเป็นเท่าไหร่ท่านก็เลยว่าใช้สังวัตกรรวิวัตกรรย้อนไปบุญชาติแสนชาติชาติคือคิดครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยวันนี้คิดกี่ชาติแล้วเนี่ยเกิดกี่ชาติตายกี่ชาติวันนี้ท่านได้ดดตื่นมาเนี่ยคุณวิเชลินจำ ไ, ได้ไหมคิดกี่เรื่องแล้ววันนี้ อย่าว่าจะย้อนไปไหลให้เดือนไหลปีเลยแค่วันนี้ก็จําไม่ได้แล้วใช่ไหมเกิดเท่าไรตายเท่าไรเนี่ยคือความคิดเรามันเกิดมันก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับกี่เรื่องเลยจำไม่ได้เลยใช่ไหมแต่เราก็จําได้เรื่องหลักๆใช่ไหมคิดถึงบ้านอีกครั้ง <c ười> คิดที่จะไปหาคนโน้นคนนี้กี่ครั้งคิดถึงงานการงานอีกครั้งเนี่ยพอจําได้เฉพาะหลักๆใช่ไหมแต่ในละเอียดหลังจากนั้นมันมีเยอะเลยแต่จําไม่ได้นีนเรียกว่ารู้ปุเพนิวาสานุสติญาณซึ่งไม่ใช่ว่า แต่ใดคำพีท่านก็บอกย้อนไปสมัยนั้นพระพุทธเจา้าเกิดเป็นพระโพธิสัตว์สวชาติเนเนานเเ์เป็นอะไรนั้นเป็นพระเวสสันดรเป็นอะไรเป็นพระเจ้า500ชาติอะไรเนีนย่ยเขาก็เอามาแต่งเป็นชาดกนิทานเพื่อให้เป็นวัฒนธรรมที่จะเป็นสอนความดีความชั่วให้กับคนก็คือจะว่าไม่จริงก็ไม่ใช่จะว่าจริงก็ไม่เชิงแต่เอาปรมัดเนี่ยมาเป็นสมมติระหว่างเมื่อกี้มาขามกับต้นมะขามเนี่ยเหมือนกันไหม ลูกมะพร้าวกับต้นมะพร้าวเหมือนกันไหมแล้วบอกไม่ไม่ใช่ลูกมะพร้าวไม่ใช่ต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวไม่ใช่ลูกมะพร้าวเราจะบอกได้ไหมใช่ไหมเม่ดมะขามไม่ใช่ต้นมะขามต้นมะขามไม่ใช่เม่ดมะขามบอกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แต่ว่ามันเป็นอะไรความต่อเนื่องที่พัฒนาการมาเพราะฉะนั er. ้นความรู้ที่เป็นสมมุติที่เราคิดออกมาแต่ละวันเราออกมาเป็นเหตุการณ์เป็นเรื่องเป็ราในชีวิตเรามันก็อันเดียวกันแต่ว่ามีการพัฒนาการแบบไม่มะขามกลายเป็นต้นมะขามไม่แตงหมดำดำนะ แล้มัออกมาเป็นลูกเต็มโมไ่ลงแลย เ, เวไปได้ไงจ๊ะเราจะบอกว่แม่แต่โมไม่ใช่ลูกเต่มโมพูดได้ไหมเหมือนกันความรู้ที่เป็นปรมามัดเนี่ยเหมือนกับเมล็ดและความรู้ที่เป็นสมมติเหมือนกับลูกกับต้นมันเขาเรสมมติปรมัตดดังนั้นในพุทธศาสนาเขาจะมีสองภาคในส่วนที่เป็นสมมุติก็คือเอามาขยายเป็นภาคเป็นส่วนเป็นพระเวสสันดรเป็นผู้ทีเจ้าเสวยชาติเป็นท่านานั้นๆออกมาก็เอามาเป็นวัฒนธรรมอสอนคนว่าจะจริง ในแง่ของสมมุติแต่ว่าในแง่ปรามัดแต่ว่าไม่จริงก็ไม่ใช่แต่มันเป็นคอนติเนวิตี้นะของมันเป็นความต่อเนื่องของมันเม็แตงโมข่อยไปลูกแต่โมได้เนี่ยเราจะบอกว่าเม็ดแตงโมไม่เหมือนไม่เหมือนจริงอ่ะแต่บอกไม่ใช่นี่ไม่เป็นนะมันเป็นแต่ว่ามันคนลลักษณะกันชั้นไหนก็ดีความรู้ที่สมมุติไม่ใช่ปรามัดความที่เป็นปรามัดไม่ใช่สมมติแต่มันเป็นคอนติเนวิตี้เป็นตัวสืบเนื่องของกันและกัน เมื่อก่อนสมัยที่เราจะมานั่งนี่เมื่อก่อนสมัยนั้นเราเป็นอะไรย้อนไปเมื่อเลราเกิดในท้องแม่เราเป็นอะไระเป็นโอว่งเป็นสเซปร์มใช่ไหม <laughs> แล้องมาเป็นเราอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วบอกไอ้เซป ร, ป ร, ปร์มโอวังเกตัวเราไม่ใช่อันเดียวกันก็บอกไม่ได้ใช่ไหมะจะเป็นคนละอย่างก็ไม่ได้อ่าอันนี้ก็เหมือนกันความคิดที่มันคิดขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยมันก็คือตัวมเมล็ดหันออกมา แล้วมาประกอบด้วยกรรมสามประการกายกรรมวิธีกรรมพฤติกรรมก็ขยายตัวออกมาเป็นกรรมต่างๆอุศรกรรมกับอุสรกรรมบุญบาปนรกสวนขยายไปเรื่อยๆแต่ความจริงมันก็คือความคิดที่ขณะหนึ่งขณะหนึ่งดีบ้างชั่วบ้างพระเจ้าก็ตามไปมันมาจากอะไรตามไปตามไปตามไปจนไปเห็นว่าอ๋อไอเจ้าความคิดนี่เองมันมาจากตรงนี้นี่เองมาจากจุติกับอุบัติ เกิดได้รู้ยาที่2องอยางที่หนึ่งท่านท่านพิจารณาตั้งแต่หกโมงเย็นไปถึงประมาณห้าทุ่มนะแล้วจุดูปัญญาท่านมารู้ระหว่างห้าทุ่มถึงตีสองมารู้ว่าความคิดทั้งหลายทั้งปวงมาจากฟาราของกันอะไรเกิดดับพลังเด็กเยอะขณะการเกิดดับแตม่มีพลังลักษณะที่การเกิดดับพ่านกดูไปดูต้นตออการเกิดดับมันก็ออกมาเป็นอะไรล่ะออกมาเป็นด้วยอํานาจของไตรลักษณ์นะ คณะของไตรลักก็ออกมาเป็นขันห้ามาเป็นยตนะ12ขยายมาเรื่อยๆแต่ความจริงมันก็คืออัปดาวนะัเกิดดับเกิดดับอยู่นั่นได้วยนคามรู้ปัจจุบันในความรู้ที่ท่านรู้ปัจจุบันท่านก็มาขยายว่าพระพุทธเจ้าได้รู้ว่าชาติก่อนท่านเกิดเป็นอะไรและคนคนนี้คุณวัชรินชาตินี้เนี่ยเกิดมาเป็นคุณวัชรินชาติแล้วนี่เป็นอะไรท่านจะรู้เชื่อไหม แล้วก็เราถ้าเป็นรู้ยานนี้เราก็จะรู้เหมือนกันว่าชาติแล้วเกิดมาจากอะไรถ้เราเคยตกนรกอีกครั้งขึ้นสวรรค์กี่หนไปสวรรค์ชั้นไหนบ้างในอดีตเป็นนรกคุมไหนบ้างนี่เราจะรู้หมดเลยพอมาเกิดยานนี้ท่านก็เลยเบื่อหน่ายเบื่อหนายที่จะต้องไม่ให้การเกิดดับเกิดขึ้นอีกมีทางเดียวคือต้องไปเหนือการเกิดดับถ้าตราใดที่จิตยังอยู่ภายใต้การเกิดดับอยู่มันก็จะไม่พ้นตัวขยายของมันที่จะมาเป็นตรลักษณ์เป็น อ, อะไรอ่ะเป็นขันห้า เป็นธาตุเป็นอายตนะลุงลังไปหมดท่านบอกงั้นดับมันตรงนี้เลยท่านก็ดับจุตู ป, ปตยัยฐานญานรู้การเกิดดับแล้วไม่ใช่ตัดการเกิดดับแต่การเกิดดับนี้จะต้องให้เกิดดับภายใต้อํานาจของวิชาแต่ที่มันขยายไปส่วนต่างๆนานาเพราะเกิดดับภายใต้อํานาจของอวิชานาอาวิชาก่อนเกิดสังขารในเรเนี่ยเพราะไม่รู้เพราะไม่เห็นการเกิดดับแล้วก็ทำํทำตามความคิดของเราแต่ขยิความคิดของเราก็เป็นวาระที่เหมือนกับอ่า สาธิตก่อนเนาะงั้นไม่เห็นภาพนะสมมตินะไฟทุกดวงเนี่ยมันดับถามว่าแสงมันหายไปไหนเวลาเปิดขึ้นแล้วบอกว่ามันเกิดอะไรเกิดอะไรเกิด แสงสว่างเกิดเรารู้ได้ไงว่ามีแสงสว่า ง, างเพราะมีดวงตาใช่ไหมแต่ถ้าเราเปิดปิดแล้วถ้าไม่มีดวงตานี่เราจะเห็นการแสงสว่างแล้วความมืดไหมไม่มีเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าการเกิดดับเป็นความหมายตรงที่เราต้องมีอะไรมีดวงตาฉันั้นประการแรกที่สุดต้องสร้างดวงตาให้ได้เรียกว่าธรรมะจากสูเราจึงรู้ว่าการเกิดดับเป็นไงเพรา ะ, ะนั่นการเจริญสติก็เพื่อที้เห็นให้เกิดดวงตาคือธรรมจากสูก่อน เราจะเห็นการมืดการสว่างเกิดขึ้นจริงการเกิดดับอันนี้การดับนะการเกิดก็คือมีลนะักษณะอันนี้ ก, การการเกิดในที่นี้เกิดแสงสว่างแล้วอะไรดับไปอาอีทีอะไรดับไปตอนนี้แสงสว่างดับไปอะไรเข้ามาความมืดใช่ไหมพอแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดหายไปไหนถามว่ามันวิ่งหนีไปไหนเนี่ยมันใช่ไหม นั่นจะบอกว่าแสงสว่างความมืดเป็นสิ่งเดียวกันหรือคนละสิ่ง ah depend on any dimension ขึ้นอยู่กับมิติของของมันมิติของแสงกับมิติของความมืดมันตัดกันเพราะฉะนั้นความรู้กับความไม่รู้มันก็อยู่ด้วยกันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ความรู้ตัวไหนใช้ความไม่รู้ตัวไหนถ้าใช้ความไม่รู้แล้วก็ปิดลงมันก็อยู่ความดับถ้าใช้ความรู้ก็มาอยู่กับกัน ah เห็นการเกิดขึ้นเมื่อท่านไม่ได้มารู้ตัวจุดูปปะฏยานท่านก็เลยโอ้ถ้าอย่างนั้นไม่ยากเราก็เอาตัวรู้เข้าไปดูแลการเกิดดับเสียที่แล้วมาเราไม่มีจักษุเราไม่มีปัญญาจักสุจึงไม่เห็นว่าจิตและความคิดสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่เกิดมาจากเพียงแต่การเกิดและการดับของจิตที่เรียกว่าใช้เป็นรูปและเป็นนาม การเกิดทำให้เกิดรูปและการดับให้เกิดนามการเกิดดับก็คือรูปนามนั่นเองเพราะนั้นมาตามดูรูปนามก็คือตามรูปการเกิดดับแต่ดูในส่วนต่อขยายของมันดูกายดูใจกายนี่เป็นเกิดใจเป็นดับมาด้วยกันตัวดับจึงเป็นตัวพลังที่ยิ่งใหญ่ตัวเกิดมันก็เกิดแล้วมันจะต้องเป็นไปตามกฎของอะไรแต่ละแต่ตัวดับจะเป็นไปตากฎแตได้ไหม ไม่เป็นเพราะมันเป็นนามมาทำอ่าพอท่านรู้อย่างนี้ปับ๊บท่านก็เจริญเอาตัรู้มาดูตัวเกิดดับคือจุดตัปปญญาเนี่ย จ, จุตัจุตัจิติมาจากจุติคําว่าดับแด้อุบัติคำว่าเกิดแล้วยานเอาญานเข้าไปรู้การเกิดดับอยู่ตลอดคือเอาตัวรู้เข้ามาดูลู่นามตลอดเวลาอ่าเสร็จแล้วนั่นแหละเราจะได้รู้ว่า เมื่อเราดูกายดูใจจอดเวลาเมื่อสีหนาทีที่ผ่านมาเมื่อกี้เราคิดอะไรบ้างเนี่ยาจะจําได้ไหมจําได้เพราะอะไรเพราะเราดูมันจอดเวลาแต่ถ้าเราไม่ได้ดูไปไงชั่วโมงก่อนนี่คิดอะไรมาเนี่ยจำได้ไหมเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ดูเพราะเราเพลินในเรื่องอื่น อ, อย่างนี้เขาเรียกว่าย้อนดูอดีตอ น, นาคตเพราะจิตมาอยู่ปัจจุบันเมื่อเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้ว่า ความทุกข์และกิเลสทั้งหลายเกิดมาจากเพราะไม่รู้เท่าทันการเกิดดับนี่เองท่านก็มารู้เท่าทันการเกิดดับเมื่อรู้เรื่อนการเกิดดับอาสวะขยันก็เกิดก็คือสามารถเข้าไปจัดการกับอาสวะได้อาสวะกิเลสที่มันหมักหมมมาร้อยวันพันปีต่างๆเนี่ยก็เข้าไปกจัดได้เพียงแต่เข้าไปรู้การเกิดดับเข้าไปรู้เท่าทันเสียอวิชาก็เกิดไม่ได้เมื่ออวิชาเกิดไม่ได้อาสวะเกิดได้ไหม ไม่ได้นะอันนี้ก็ยานทั้งสามเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ตีสองจนมาถึงหกโมงเชา้าท่านก็ได้บรรลุตัวนี้นะต่อมาอยานทั้ง3ก็าหากไม่มีสติไม่มีตัวรู้ตามดูมันจะเกิดเป็นอะไรขยายเป็นไตรลักษณ์ขยายเป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์จะออกเป็นออปนิจังทุกขังอนัตตาถ้าเป็นนวิชาเมื่อเกิดเป็นเวทนาทั้ง3ามแล้วเนี่ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นไม่สุขไม่ทุกข์บ้างแล้วตัวนันทิเราก็จะเพลินในเวทนาทั้งสา เม <occurs> ื่อเราเพลินในเวทนาทั wan wan ้งสามเพราะตัววิชาเข้าไปตัวสติเข้าไปโสมนัสสะเวทนาตัวสุขเวทนานั้นจะเปลี่ยนมาเป็นพอเราไปเพลินตัวสุขเวทนาก็จะเปลี่ยนมาเป็นโสมณัสสเวทนาพอเราเพลินในทุกเวทนาก็จะกลายมาเป็นโทมณัสสเวทนาพอเราเพลินในทุกขโมสสุขเวทนามันก็มาเป็นอุเบกขาเวทนา อพอเรามีตัวสติมีวิชาเข้ามาตามรู้ทั้ง3ตัวนี้มันก็โสมนสสวิทนาก็เปลี่ยนเป็นศีลโทมนสสวิทนาก็เปลี่ยนเป็นสนมสาธิอุปเเคสวิทนาก็เปลี่ย น, นเป็นปัญญานั่นหมายความว่าเราจะต้องไตรสิกขาก็เกิดมาจากใจอะไรใจรักนั่นเองถ้าเราไม่มีสติไม่เจริญญานเนี่ยมันจะแปลงเปี่ยใจรักเป็นใจสิกขาได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นใจสิกขาเราจะทำยังไง ก็มาเจริญสติเพราะสตินั้นจะทําให้เกิดสีสมนิปัญญาจเจริญสติอย่างเดียวแต่ต้องเป็นสมาสตินะถ้าไม่เป็นสมาสติศีสมิปัญญาก็ไม่เกิดอันนี้ตามหลักวิชาอันนี้ว่าไปเมื่อวานอะไรใช่ไหมวิชาสิกเนี่ยว่าเป็เมื่อวานเราจะมาดับได้อย่างไรก็มาเจริญสติประธานพุทธชงเจตเอามามิมลุโมงค์8เกิดวิชาแล้วมีมุตตา ม, มานะเอาแค่นี้ก็พอมวันนี้เดี๋ยวจะสับสวน เอาเพราะว่าวิชาเราเรียนมาเมื่อวานถ้ามาจะขยายตัววิชามาได้ไงก็คือย้อนไปรู้เมืองเรื่องเมื่อเกี้รู้เรื่องของไตรรักเอาเข้าเป็นไตรสิขาแล้วไตรสิขามาจากอะไรก็มาจากกาจารย์เศรษฐีที่เราทําเกิดว่าไม่เกิดสินบางง้นบางไหมวันนี้เกิดเพราะว่าชีวิตเราไม่ได้ไปและเราร้อนบุญวายกับเรื่องอื่นมาอยู่ที่ทั้งวันไม่ไปทะเลาะเบาแวงกับใครไม่ไปโกหกพวกรมกับใครไม่ไปเอารัดเอาเปรียบกับใครอยู่ที่ทั้งวันสินเกิดไหม เกิดแล้วสมาธิตั้งใจอยู่กับการเคลื่อนการไว้การไปกันมาการลุกกันนั่งการย่างกันเดินตั้งใจเฝ้าดูอยู่สมาธิเกิดไหมเกิดนะแล้วก็รู้เรื่องว่าวันนี้เราทุกเท่าไหร่เราสุขเท่าไหร่เราสบายเท่าไหร่ไม่สบายอะไรเกิดขึ้นแกเราแก่ๆใจเราบ้าเนี่ยพอเลื่อลึกได้ไหมคนบางคนก็เลือึกได้บางคนก็เลือึกไม่ได้คนไหนเลื่อลึกได้มากคนนั้นก็มีญาณเกิดขึ้นและเรียวปัญญาคนไหนเลือึกได้นิดหน่อยก็มีญาณนิดหน่อยคนไหนเลื่อลึกไปเลย ก็แสดงว่าไม่เป็นไตรสิกขาไตรลักก็จะเป็นไตรอะไรกิเลสาก็คือเป็นราคะโทสะโมหะอ่าแล้วโทมนัสสะก็เปลี่ยนมาเป็นราคะเออโสมนัสสะเปลี่ยนเป็นราคะโทมนัสสะเป็นโทสะอุเบคาเวเดนะก็เปลี่นมาเป็นโมหะเพราะเป็นอวิชชานะอันนี้คือในส่วนที่ต่อขยาย อันนี้ว่าในหลักวิชานะแต่ว่าในหลักความจริงเพียงแต่เรามาเจริยส ต, ติจะจะทำยังไงให้เป็นสัมมาสติให้เป็นสติที่ถูกต้องก็จะต้องทำให้มันครบถ้วนครบถ้วนอย่างไรว่าเวลาเราดูกายเราเห็นอะไรอ่าเรเห็นอาการของกายอาการของกายมีอะไรบ้างสบายไม่สบายเฉยเฉยแล้วเมื่อสบายไม่สบายเฉยเฉยนี่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นยังไง ก็มีสติเข้าไปตามรู้ความสบายก็กลายมาเป็นศีลความไม่สบายพอสติตามรู้ก็กลายเป็นสมาธนะิแล้วก็ความไม่ชัดเจนพอสติเข้าไปตามรู้ก็กลายเป็นปัญญานะก็จะกลายมาเป็นวิชาสิบที่เราได้เรียนกันไปเมื่อวานนะนะที่เหาจะมาเหตุนะดังนั้นอันนี้โบราณอาจารย์ หรืออาจารย์าจาท่านก็นมาขยายเป็นหลักวิชาเพื่อให้ศึดอดศาสนาเท่านั้นแต่ในภาคปฏิบัติถ้าเราไม่ใส่ใจต่อการเฝ้าดูการสังเกตก็ ม, มันจะไม่ไมไมครอบคุมกระบวนการเ่านี้ทั้งหมดแต่เราก็มาใส่ใจมาสังเกตตลอดนะนั้นแต่<ม>และตัวก็จะมีะรายละเอียดกร ย, ยมิสสามมีอะไรบ้างขยายไว้ไหมต้องไปดูดิมีไหมกายมิสสาม อ่าแล้วก็สธาสสัมปชัญญะสีโยนิสงนัิการอ่านี่ไงกริยานมิตรทำให้เกิดอะไรคือปัญญาสามประการคือหนึ่งได้ยินได้ฟังสองฟังแล้วก็พิจารณาสามเอาไปทำก็เกิดเป็นเราก็มีกริยานิสหายตาก็คือมีเพื่อนนักปฏิบัติด้วยกันนี่ถือว่าเป็นสายนะกริยาิมิตรสมมติวันของพ่อทำหน้าที่เป็นกริยานิมิต จะในการเดียวกันเราจะต้องมีตัวนี่กิริยานะสัมปวังกตาคือสิ่งแวดล้อมสี่อย่างได้คือหนึ่งอาหารพิธาบาดหาได้ง่ายแล้วก็สบายสบายไม่ต้องวุ่นวายว่าที่ต้องไปหาอาหารที่ไหนทําอย่างไรไม่ต้องที่เราได้สปายะความสะดวกทางด้านอาหารเลื่อกกิริยานะิสัมปวังกตาปุกระสปาย ะ, ะก็คือ คนที่ไปมาหาสูตที่นี่มีแต่ไม่ว่าแม่ครัวไม่ว่าคนงานไม่ว่าคนสวนไม่ว่าพระสงฆ์องค์ใครเจ้าหรือไม่ว่าไปมาหาสูตรนี้ล้วนแต่บุคคลที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่ก่อปัญหาให้กับพวกเราไม่มีใครมาเอะอะอวยวาย ไ, ไปสร้างเรื่องสร้างราวที่นี่เขาเล่าแต่ละคนเข้ามาที่นี่ก็สร้างความสะดวกสบายให้กับเราแล้กปุคคลสะปายะต่อมาอาวาสปายะก็คือสถานที่เร า, าสะดวกนะสงบสงัดแล้วก็ นี่เป็นสัตว์เป็นส่วนที่พักก็สะดวกที่เดินทงกลงที่นั่งปฏิบัติก็สะดวกแถมรอนขึ้นมามีแอร์มีฮีทให้อีกต่างหากนี่ก็เรียกว่าวาสปายะแล้วก็ธรรมะสปายะคือวิธีการปฏิบัติที่เราทำเนี่ยมันเอื้อ<ม>เราทำได้ตลอดทั้งวันไม่ง่วงไม่เงาไม่หนักไม่น่วงพอพอทนได้พอทำได้ก็ธรรมะที่นามาปฏิบัติก็เป็นสะดวกเมื่อถึงพร้อมด้วย กิริยามิตรสาประการคือกิริยามิตรครูบาอาจารย์กิริยาสหญาตาเพื่อนฝูงที่ปฏิบัติด้วยกันและกิริย า, ส า, านสัมปวาระก็สิ่งแวดล้อมทั้งสรประการอาหารบุคคลอาวัตและวิธีปฏิบัติอันนี้ก็จะช่วยให้เกิดกิริยามิตรสามประการนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้มาแจากแจงแตเอามาแจากแจงเพื่อเห็นว่าเมื่อเราเกิดกิริยามิตรสัมประการแล้วก็จะมีศรัทธาที่ได้กล่าวมาเมาาๆๆื่อวานในรายละเอียดนะไปเรื่อยๆพราะนี้อธิบายไปเรียบร้อยแล้ว ตัวนี้อธิบายไปแล้วนะสี่สังวรเกษีสามวิจิตร ส, สามมนโนสิสามที่ประธานสี่โคชงเจ็ดแล้วก็ที่มั่งเปองค์แปดแล้วก็วิชาวิมุตตัหลักทั้งหมดที่เราอธิบายไปเมื่อวานซึ่งเราก็มาลงมือปฏิบัติวันนี้มันยากไหมยากกับฟังใช่ไหมฟังเดียเด๋ยวๆก็จบใช่ไหม ไปทำมุ้มมนแล้ไม่จบวันทุทีวันนี้ชันเวอร์ได้เกินว่าเลยจะหมดชั่วโมงเสทีนะมันก็เกิดความอึดอัดขัดเคืองนั่นแหะของจริงแหละเป็นธรรมไหมที่มันเกิดขึ้นธรรมะเกิดขึ้นทั้งนั้นเลยใช่ไหมถ้าเราเอาเป็นมันก็กลายเป็นธรรมถ้าเอาไม่เป็นก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นทุกข์จะเอาส่วนไหนอะระหว่างธรรมกับทุกข์ถ้าเราเอาเป็นหมายความว่าเราเข้าไปตามรู้อาการเหล่านั้นว่ามันเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นนะมันไม่ใช่เรานะ ตัวไม่สบายเนี่ยมันเป็นอาการของอะไรของไตรักระไตรักที่เป็นนิจังคอให้เกิดทุกครั้งทุกครั้งคอยให้เกิดตาตาแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเจ็บปวดตัวใหม่ไม่สบายตัวใหม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นกระบวนการของไตรักไม่ใช่เราแต่ถ้าเราเผลอว่าโอ้ทําไมทุกเรื่องเกินเราไม่สบายเราเราไม่น่ามาเรื่อนอนอยู่ที่บ้านสบายกว่านี่หมายความว่าเราไปสับขัญมันหมายเป็นเราแล้วใช่ไหมนะเราก็เป็นทุกข์เราทีนี้เป็นทุกข์ เพราะนั้นเราจะเอาทุกเราเอารมอยู่ที่ตัวตัวอะไรสมาธิแล้ทีนี้ก็ทำให้เรามาปฏิบัติได้อย่างในวันนี้นะแต่ว่าในช่วงปฏิบัติแรกนีก็ไม่ต้องสงสัยอะไรมากหรอกทำไปเรื่อยๆใส่ทนทาและทำทนแล้วเมื่อค่อยดีขึ้นนะตกลงเอาแค่นี้พอทำวัดต่อเนาะ